เอาชนะหรือว่าไม่ให้มีเรื่องมีราวบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนด้วยอุบายปัญญาของท่านอานนอฉเฉลียวฉลาดจริงพราะพุทธองค์ได้ยินได้ทราบด้วยโสตะคือหูทิพภ์พระองค์ก็เดินลงมาพระสงฆ์สนธนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กลาบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้า ม, มิใช่แต่ไม่แต่ชาตินี้เท่านั้นนะ เ, เรื่องอุบายที่จะเอา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 หญิงงามเมืองฮคือสาวงามเมืองคงจะเป็นนางงามอนางสาวไทยลักษณะอย่างนั้น่ะออที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอาไปให้นางสาวไทยเลาเขาไปจับนางสาวไทยทีนี้พอจับเสร็จแล้วมันเดือดร้อนเป็นทอดทอดไปเไยก็มีอำมาตย์พระเจ้ากรุงพลาณสีเอ๊มันไม่ใช่นะมันจะไปทอดเครื่องประดับเพียงแค่นั้นมันจะไปยาวถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็คงจะโจน โยนเรื่องหากันไปเรื่อยๆพราเอาตัวรอดท่านเองนยไม่ได้หรอกเดือดร้อนแน่ทลักษณานี้ไปจับคนทั้งหมดมาขังใส่กันเนี่พอมาขังใส่กันเสียดเรียบร้อยทั้งห้าหกคนนะ่ะพอเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจสันติบาล น, นะนั่งอยู่คนละมุมกันให้สังเกตหน่อยนั่งห่างๆพวกนั้นเขาจะคุยกันยังไงห้าหกคนนะ่ะแต่นี้ก็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 ให้ตะโกนปบมือแล้วก็ให้มันตกใจให้มันทิ้งเครื่องประดับให้สังเกตดูนะตำรวจนะแต่ไดี้ยจะส้มเป็นที่ๆพอแจกเครื่องประดับเสร็ได้ลิงต่างตัวต่างได้มาแตนี้ยไอ้ลิงตัวที่มันได้เครื่องประดับไปนำไปซ่อนไว้ในกิ่งไม้หน้าคบไม้นะ่ไปซ่อนไวน้นยมันเห็นตัวอื่นได้มันก็เลยเอามาอวดหมู่มอนกันไอ้ลิงมันอ้ดชอบอวดเหมือนกันนะ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 ข้ามริ ด, ด้โคดตโกงใครข้าอยู่อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วแต่การทำคุณงามความดีมันมีสลับซับซ้อนกว่านั้นถ้าเราได้รับการศึกษาถ้าเราได้นำทำคำสอนของพุทธศาสนาทำคาสอนของบัณฑิตนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักพระธรรมคำสอน 80,000 ี่พันพระธรรมขันของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มากันกลองไม่ไตรตรองมาเปรียบเทียบ